เป่าหน้ากลุ่มโดยดังตรินตอนที่สามสิบสามท้อหาแนเ่เด้จำเบ้ทนน้องได้บอน้องจะเฝ้ารอไอ้ท้อหาเวล า, าอันตรายที่มาพร้อมกับความสะดวกสบายช่างมากมายซสจริงๆแม้แต่การใช้โทรศัพท์มือถือ<ๆ>ก็เสี่ยงกับเด็กในท้องได้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 หน้ากลุ่มโดยดังตรินตอนที่34ผิดไปแล้วอย่ามัวเศร้าโศกเสียใจสิ่งทแท็กซี่คนดีเคยเก็บเงินได้สามแสนคืนเจ้าของ<ไ>บรรดาลโทษะก่อเหตุสลดข่าเมียตัวเองเพราะถูกขุดโคดด่าไฉวัยบ้างเพียงมากอย่างเท่านั้นที่ต้องแก้ไข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 บทความโดยดังตริมจากนิิตยาสารธ ร, รมะใกล้ตัวฉบับที่หสิบเสียงอ่านโดยโจโชเ่อครูสอนสังให้เธอจงระวังไม่พลังต่อไปผิดไปแล้วอย่ามัวทับทมตัวเอง ทำ a ทเพลงแล้วถาใจตัวเองได้ไหมผิดไปแล้ว